ฟังทำกันด้วยดังพูดผู้หนึ่งฟังครับเพราะเป็นเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีจริงพ่าปฏิบัติตามจริงทำไมเกิดเป็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมถ้าเราปฏิบัติตามธรรมก็ทำไมเกิดเป็นพุทธะ แต่ไม่ใช่พู้ไเจ้าเป็นผู้ลู้ตามพระเจ้าหรือว่าหมู่พระสงฆ์พระธทรมท่านที่ทำให้เราปฏิบัติเราจะว่าเราพระพุทธเจ้าหายของที่คว่มขึ้นไปแล้วเปิดของที่ปิดออกแล้วเฉือนจิงที่เป็นชีิ่ออกหมดแล้ว แล้วก็ได้ประกาศกล้องแล้วว่าทำอย่างนี้ให้เว้นอย่างนี้จริงที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็มีอยู่ทำไมเราได้เห็นเหมือนผู้เจี่ยวสอนเราก็ไม่ต้องสงสัยชลาใจปฏิบัติลงไปในสิต ท, ที่ไม่ดีให้มันดี สิ่งที่มันถูกก็มันถูกไม่ต้องไปช่วยเหตุผลอันใดปฏิบัติธรรมเราก็เห็นอยู่ก่อนเหตุไม่ใช่เหตุผลมีแต่ปฏิบัติลงไปเลยเอเ้ามีติไปในกายกายเราก็มี อาการเป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ขึ้นมาก็ทําได้นี่มืมอรู้เขียนเข้าก็รู้สึกเราดึกได้อยากฉันดอกก็รู้สึกเราดึกได้มีความรู้สึกเราดึกได้ที่กายที่มือก็เห็นอาการที่เกิดกับกายขึ้นมา ก็ยอมมาเป็นตัวเป็นตนโซนกายขึ้นมาเห็นเป็นกายอันเดียวสักว่ากายไมสัตว์อุกนตัวตวนโลเขานี่ปฏิบัติแบบนี้มีความเห็นอย่างนี้ทําให้เป็นอย่างนี้แต่มีตัวไม่ตนไปกับกายอีกถ้าการเป็น เป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์สิ่งที่มาเกิดขึ้นกับกายเนี่ยเข้าใจสมบัติจากนี้แค่ไหนเพียงลอยหรว่ากบเกินววาอยู่อ่าสมบัติดีๆแล้วไปไกลนะ คำว่าเห็นกายสวภาคไปกายอี้กายถ้าไปในทางที่ถูกถ้าไปในทางที่ผิดเข้าไปคนละทิศอีกว่าเราทำยังไงกันแนะ่เรื่องอย่างนี้ทำเชื่อไหนเพียงายเกิดอะไรขึ้นมากมาื่อไถ้าไม่เห็นอย่างนี้ เราจงมาเห็นใหมันชัดเจนซอกายสาวะกายก็จบไปแล้วเรื่องกายจบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจะตเห็นแล้วสภาวะกายเป็นกายจริงจก็เห็นกายกเห็นเป็นรูปเป็นรูปจริงจรรูปกายมันก็มีสุขมีทุกขก์จริงจง ความสุความทุกข์ภาษาชาติหรือว่าสาหรือว่าเวทนาภาษาเราที่เราสัมผัสหรือว่าสุขทุกข์นั่นแหละสถานการที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเวทนาจากว่าเวทนาหรือเราเรียกว่าสุขว่าทุกข์เท่านั้นก็พอไม่ใช่ัตวบุคคลตัวตนเราเขาอันที่เป็นสุขเปนทุกข์นั้นไม่ใช่ตัวเรา เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการอันสุกันทุกนั้นมาชื่อตัวช่วยตนสุขก็คือเราทุกคือเราถ้าสุขคือเราทุกคือเราเราก็ไม่ทำตามทำไม่ปฏิบัติตามท ำ, ท ำ, ทำผิดเลยเส็แล้วไปคนละทางเส็แล้วเอาให้ทําให้แยบขลายชัดเจนแม่นยอมดูดีดๆแล้วเห็น ทุกข่างที่มันเกิดขึ้นก็สักแต่ ว, ว่าเวทนาแล้วก็ไปไกัลง่ายๆทาให้เฉื่ดไวๆเรื่อยของกายก็เฉไ ว, ไว้ไวๆเรื่องทุกส์ทุกขทุกข์เฉื่ดไว้เฉื่ดไว้เฉื ด, ไวไวฉด ง, ง่ายๆถ้าทําให้เป็นง่ายยากๆผิดแล้วผิดอีกแย่แล้วแยอีกเอามาเป็นทุกขเป็นทุกข์ ทุ ก, ก็ทุกสุ ก, ก็ทุกก็เป็นอยู่แล้วก็เคยคิดได้เรื่อง น, นั้นถ้าสุ ก, ก็หัวเลาะถ้าทุกก็ร้องไห้เป็นกันแบบนั้นเพราะไม่ปฏิบัติตามธรรมก็จะว่าแล้วสุขพระพุทธเจ้าก็เฉือนอกแล้วทุกก็เฉือนอกแล้วเหลือแต่สักแต่ว่าให้เราเลือก ผู้ที่ปฏิบัติจากนี้ก็จบได้ผ่านง่ายปฏิบัติคยเปลี่ยนมาไปจากนี้จากแต่ว่าซะนี่เพียงพอนะถ้าจะศึกษาเรื่องกายจบไม่ง่ายจากแต่เรื่องต้น เมื่อเราเรียนหนังสือตัวอักษรจบแล้วตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอักษรไหนอีกที่เขียนขึ้นมาตัวเลขก็เหมือนเดิมเรื่องที่ตัวเราเนั่ก็เหมือนอันเก่านั่นแหละอันเก่านั่นแหละเราหมาต้องไปหาคำตอบ ไ, ไปช่อยไปคิดเหตุคิดผล คิดที่มันคิดมีมันเป็นวิญญาณธาตุชนิดหนึ่งที่มันเกิดอยู่กับการเรียกว่าลูเรียกว่านามธรรมเราลู้อะไรได้มันคิดเป็นบวามคิดก็ไม่ได้ไปหามันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นว่าจมีความรู้สึกปัญการมันเกิดชิดขึ้นมานั่นแหละเป็นสูตรต้นหนึ่งละอ อจิตก็สักว่าจิตว่าเชื่อดบุคคลตดลตโลเขาตอบอย่างเดียวหมดประกาศอย่างนี้มาแล้วประกาศกล้องแล้วเพื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็เห็นเหมือนพระเจ้าสร้างความเห็นขึ้นมาทำในใจให้แยกคลายขึ้นมาแลยวก็ผิดที่มันคิด สักแต่ว่ากิจไม่ใช่ตัวใช่ตนอย่ามาอย่าเอามาเป็นตัวเป็นต้นถ้าเอามาเป็นตัวเป็นต้นก็เป็นพบเป็นชาติจากกิจที่มันคิดเฉยเฉยดีได้นัสุขเป็นทุกขพกิจสุขทุกข์เท่านั้นเป็นตัวเป็นพบเป็นชาติก็มีการเกิดจากจิตตายจากความคิดได้หลายภพหลายชาติ เกิดเจ็เ จ, เจเ็บตายจากการหลายภพหลายชาติ เ, เกิดเจ็บเจ็บตายจากเวทนาสุขทุกข์หลายภพหลายชาติสัพัดดูดีๆได้ประโยชน์มากๆถ้าสัมผัสไม่ดีก็ไม่ค่อยจะประโยชน์ไม่ชมํชนานิชํานานไม่ได้ผลเรียนไม่ได้ประสบกรณ์ มันมีให้เกิดความประจบการณ์เราจะเป็นพุทธะก่อขึ้นตรงนี้พระธรรมก็ก่อขึ้นตรงนี้ธรรมจะรักษาเราต่อไปก็ก่อตั้งจากตรงนี้มีขึ้นตรงนี้อุบัติขึ้นตรงนี้ไปเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้เห็นได้ว่าสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขา แล้วก็ต่อไปเป็นคู่อาการที่เกิดกับจิตตัวธรรมมีสุขมีทุกข์มีความสงบมีความพผูกสามีความโลเลสงสัยมีอาการต่งางๆ่าเกิดจากความคิดต่อไปอีกก็จักต่ ว, วธรรมธรรมที่เป็นฝ่ายดำธรรมที่เป็นฝ่ายขาวธรรมดำธรรมขาว ทำดมคือบาปปนทุกทำเข่าคือเป็นบุญคือมีความสุขก็อย่าไปติดให้เห็นจากแต่ว่าทมอย่าไปกับมันอย่าไปหลงอย่าลกูกอย่าสุกสนถ้าจะเรียนรู้เรื่องธรรมเพื่อให้เกิดชีวิตที่ได้ไม่หนึ่ง แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไปปฏิถ้าไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็เกิดแก่เจ็บตายได้ในความสุขก็ตายในความสุขในความทุกข์ก็ตายในความทุกข์ในความพอใจในความไม่พอใจก็ตายในความพอใจไม่พอใจไอเห็นก็จะให้เหนือ เกิดเจ็เจบตายก็ไปแบบนี้ไปแบบตามที่พระเจ้าสอนนี่ทำให้ได้ทำให้เป็นเราเห็นอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เราไม่เห็นเหมือนกันหมดแล้วก็ปฏิบัติได้อยู่ทำได้อยู่ถ้าทำแต่บางทีเราไม่ค่อยทำปล่อยให้สุขเป็นสุขปล่อยให้ทุกข์เป็นทุกข์ ว่าให้ทำมันเป็นอกุศลคอบงำอ๋อเห็นเป็นคู่แบบนี้ถ้าเห็นสีลักษณะนี้หลุดได้ง่ายหายกุญแจแช่สู้หลุดไปได้เลยล่วงพ้นไปด้วยได้เลยหลุดพ้นจากนี้ไปได้เลยก็ง่าย มันมีส่วจากนี้แล้วก็ไปแต่แขนไปเองผิดมันบอกถูกมันบอกถ้าไม่จรวจพ้ตนตรงนี้ไม่ศึกษาตรง น, นี้ก็มาดีไข้กุญแจเจเจะก็ติดหลงในความฉุกหลงในความทุกข์หลงในอาการที่เกิดกับกายหลงในอาการที่เกิดกับใจ เอาเรื่องการเรื่องใจเรื่องอาการที่เกิดกับความกับใจมาเป็นชุบเป็นทุกข์ตอน ท, ที่ไม่มีอะไรไหนว่าทุกข์มันอยู่ไหนไหนหรือว่าสุบมันอยู่ไหนมันเปนรถของโลกสัตว์โลกจอมติดลถของโลกเราจึงมาศึกษาดู ด, ดีๆ ในความเห็นในแม่นยเชัดเจนทรลุทะลวงบ้างนี่สติสมชญาช่วยอาศัยกรรมฐานช่วยเป็นแรงเสริมตั้งไว้มีการกระทํามีการประกอบใหะสติลงไปอย่าเพิ่งแปลวเห็นแล้วผลอย่าหลุดออกไปตั้งไว้ก่อน อาศสิ่งเหล่านี่ไว้ก่อนเมื่ออาัยกรรมฐานคือที่ตั้งไว้มันก็แจ๋กล้ามันก็หนักแน่นมันก็งกงามเหมือนต้นกล้าที่ปลูกลงดินมันก็งกงามมันมีเป็นธรรมชาติผมรู้สึกตัวก็มีที่ตั้งไว้ก่อนตรงนี้ผมรู้สึกตัวที่มันเป็นเพราะที่รู้ที่เห็นนี่มันก็งกงามขึ้น เพราะมีที่ตั้งแล้วมีความเพียรแล้วมีศรัทธาก็เชื่อเป็นอาหารสัทธามีความเพียรมีสติมีความตั้งใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หลุดลายเยอะแยะแรงเสริม ก็เหมือนต้นก้าต้นไม้ก็เหมือนมีดินมีปุ๋ยมีน้ำมีจิวเวลลอมที่ดีก็องอกงามในตัวเรานี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ที่ตั้งเวลานานมีสติอยู่เห็นกายจักระกายความงามในพระที่เกิดการเห็นจักระว่างามขึ้นงามขึ้นแต่ศีนก็เกิดตรงนี้ด้วย ากายสัว่ากายไม่เช่สัตว์บุคคล ต, ตัวตนโลคโหจิตก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกมันก็หยุดเชื่อนี้ก็เกิดเป็นฉินขึ้นมานหัดไปหัดไปเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นเป็นสมาธิขึ้นมาเห็นจู่ไปบ่อยทำจู่ไปบ่อยปฏิบัติอยู่ไบ่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาอาา่านกระบะเห็นกายจะว่ากายไม่เช่สัตว์บุคคล ต, ตัวตนโลคโห ม่นใช่เห็นเฉยๆมัพัฒนาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาศีลก็มาเป็นศีลเฉยๆเหมือนก็อนหินนิ่งอยู่นั่นศีลก็กำจัดกิเลสพูดเขาสมาธิกำจัดกิเลสปัญญากำจัดกิเลสอ ย, ย่างหยากอย่างกลางอย่างละเอียดอ้มสับไปในตัวเลยศีล ท, ที่เกิดจากกายเกิดจากที่เห็นเวทนาสภาวะเวทนา เห็นจิตสวัสจิตเห็นธรรมสวัสดิ์ธรรมเหนที่เกิดแห่งศี้นแห่งสมาธิแห่งปัญญาขึ้นมาเมื่อมีสิ้มีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเกิดจากหลักนี้ก็กลายเป็นมรรคเป็นผลน้อยๆขึ้นมากลายเป็นดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาต่างเก่าเพลเพราะว่าเดิมเรียกว่าสูวิปันาญาณแต่ขาดเห็นรูปทรรมเห็นนามธรรมขึ้นมา มันมีหลักในฐานไม่มีสูตรมันบอกให้เรามันสอนเราไม่ใช่เราสอนมันเอาจริงๆแล้วรูปมันสอนนามันสอนความเท็จความจริงไม่มีคาถามมีแต่สัมผัสมีแต่ลูกเองตอบเองถ้าธรรมชาติมันสอนรูปมันสอนนามันสอนอาการที่เกิดกับรูปกับนามมันสอน ผิดมนโสนถูกมันโสนได้ความฉลาดจากปัญหาได้ปัญญาจากปัญหาไม่ใช่งูปัญหหาปัญญาเกิดจากกองลูกกองนามนี่ตั้งต้นจากกายสกาวเวทนาสตเวทนาจิตสภาวะจิตธรมสวาวรทม นี่แหะเป็นที่เก่าเกิดเป็นสูตรเป็นตูนเป็นหลอกทําเป็นปริยัติธรรมเปลี่ยนรูปลูปแบบพบเห็นไม่ใช่รูปแบบจอมในสมองไม่ใช่สมองมันแบบพบแบบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นไม่มีการพบเห็นก็มีการหลุดพ้นถ้าคิดเห็นมันไม่ใช่หลุดพ้น เช่นเราเห็นงูพบเป็นจึงหลุดพ้นจากงูเห็นลูกเห็นกาจึงพ้นจากกายเห็นเวทนาจึงพ้นจากเวทนาเห็นกิจจึงพ้นจากกิจเห็นธรรมจึงพ้นจากธรรมรวมหลุดพ้นกับภาวะที่เป็นกับที่เห็นมันต่างกันเป็นกับเห็นมันต่างกันเป็นหรือว่าอยู่ในอยู่ในกำมือของเขา เ, น เ, นเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยไม่ไม่อยู่ในกรรมมือเห็นกายเมื่ใช่เราถ้ากายคือเราก็อยู่ในกายเมื่ออยู่ในกายก็ไม่ปลอดภัยถ้าเห็นก็ปลอดภัยเรื่องเกิดที่กับกายเรื่องเมื่อเห็นเวทนาไม่ใช่อยู่ในเวทนาเห็นเวทนาก็ปลอดภัย ถ้าเวทนาเป็นฉุกเป็นทุกข์ก็ไม่ปลอดภยัยมันเห็นกับเป็นฉุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกข์หรือว่าเป็นเห็นสุกเห็นทุกข์หรว่เห็นปลอดภัยก็หลุดพ้นนง่ากๆอย่างนี้จริงเดียวกันอันหนึ่งทำไม่ถูกก็หนอกทำถูกก็เบาทำไม่ถูกก็เป็นพระละ ทำถูกก็หมดไปภาระก็หมดไปสะดวกมากขึ้นง่ายขึ้นสำหรับสนุนให้เกิดการสะดวกมากขึ้นจากอันอื่นเมื่อเราขึ้นบันไดขั้นแรกก็สนับสนุนเหลขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่ส บางทีผู้มีกําลังขึ้นหน่พุิดีเดียวบางทีคนไม่มีกําลังขึ้นแล้วก็พักขึ้นแล้วก็พักเจอถึงจุดหมายปรายทมือกันกําลังในเรื่องความพุทธไม่ใช่เอากําลังคนดุ่มหัวใจเอากําลังแห่งศรัทธาเอากำลังแว่งเพียธาเอากำลังแห่งปฏิบัติไม่ใช่กําลัง หนุ่มๆเก๋ๆผู้เก๋เกเกทำไมาได้ผูหนุ่มทำได้มาใช่แบบนี้กำลังภามีผลละห้าศรัทธาพละวิยพรละสถิพรละสมาธิะปัญญาผลละนี่กำลังผละห้าเป็นกำลัง ที่ทำให้ล่วงคนได้มีกันทุกคนศรัทธ า, ามาจะไปขอคายเชื่อการตัดสู่ของพระเจ้าเชื่อว่าธรรมะบาปปุณณมีจริงบาปนําไปสู่นรกจริงบุญระสู่นองประสู่สุขติจริง อ, องาศงต่างกันมีผลต่างกันจริงสมโกรก็จริงมาได้นุบาลับ จะดีก็นอนหลับกินได้จะเล่าก็เป็นทุกข์เป็นโทษจอดีก็เป็นประโยชน์เราจะมาศึกษาให้มันจบซะตั้งแต่หนุมน่มๆอย่าให้เข้าให้เ จ, จะได้มีชีวิตสะดวกสบายไปยาวนานแล้วก็ก็พอจะสะดวก กับปันเสอเรื่องนี้มีสถาาตั้งแต่ต้นแล้วเคยบวชให้พระให้สงฆ์ลูกชาวบ้านพอเขาถือผ้ามาหลับมาม่วงไพ่เราเราก็ถามเจ้านากว่าใครบังคับมา ให้มาบวชใครบังคับให้มาบวชว่าแม่บังคับมาบวชหรือว่าลูกเมียบังคับมามาบวชลอยจังลอยตอบว่ามีมาเองตั้งใจมาเองนั่นนี่ ว, ว่ามีทุนแล้วตั้งใจมาบวชเองไม่มีใครบังคับทำไมมาบวชที่นี่มันอยู่ในปา่ารงอดอยากลําบาก ก็ต้งใจมาที่นี่ส่มากเป็นอย่างนั้นเรามาปฏิบัติมนเป็นนักบวชอาจจะสะดวกกว่าไปอย่างอื่นก็ได้บางคนก็ จ, จะลำบากแบกมาก็มีเหมือนกันไอหลวงตาก็แบกมานะมาบวชนีงไม่ชอยสะดวกนะ ผ่าลอนผ่านหนาวผ่านอะไรแยะๆมาเลยมาเห็นเพื่อนเขามาสบายๆพ่อแม่พี่น้องมาส่งมาเชียอ์เรามาบวชไม่มีพี่ไม่น้องสักคนมาแบบจนๆจนเด่นมาบวชเห็นมาส่งขนข้าวขนของมาให้ถ้าชีวงก็มีแต่ดี เรามาบุกไปขอผ้าชีบวนจอดกับก่าน้องเขาม า, ามาให้หลวงพ่อเทียนดูหลวงพ่อเทียนมาเปิดดูมันผ้ามันขาดเนี่ยผ้ามันขาดมันเกา่าเออเอาไหมเนาะเจ้าหลวงพ่อเทียนก็ลุกไปเอาผ้ามาให้ไหม มีไหมใครที่ที่เป็นอย่างนี้มีไหมไม่เคยเห็นใครแต่มาบวดนี่แต่ผ้า ด, ดีตอนที่เราบวดนโอ้ยแอบไหวามากระโปกกระเปกมาอ่านอะไรมามากมาปฏิบัติแต่มาเห็นเพื่อนเขามาลาบากแล้วก็มาแบบหลม มาเห็นเพื่อนมาแบบสะดวกหรมาลาบากแต่ว่าก็เปรียบเทียบกันเสมอเราจะเล่นเหมือนเพื่อนไม่ได้เราทิ้งลูกทิ้งเมียมาทิ้งพ่อทิ้งแม่มาทิ้งการทิ้งงานมาเขาจะมาเล่นแบบนี่ไม่ได้เขาดื่มเอายื่นกันดื่มน้ำคุยกันแล้วก็เลีกไปไม่ใช่เรามาแบบนี้ แต่แม่แบบนี้ก็สบายมาสบายอยู่สบายแล้วมาลำบากก็ต้องต้องไปศึกษาเอาหลงก็เทียนเป็นเนรูปเดียวคนอื่นดีขนาดไหนก็ไม่สนใจชั่วก็ไม่สนใจแต่ว่าสนใจเรื่องปฏิบัติอย่างเดียว อะไรที่ทำให้เราสะดวกดูที่นี่ก็พยายามคิดให้มันเกิดขึ้นมาให้มันสะดวกเปล่าตามความสามาถแล้วก็มีเพื่อนมีมิตรสมัยก่อนมิตรหลงเพื่อเทียนผู้เดียวตัวนี้เวลานี่ก็มีเพื่อนมิตรมีครูอาจารย์หลายรูปมีผู้ดูเล่แต่ก่อนอรรัสสลามแข้ง ไม่มีขอไม่มีอะไรจัดขอไปอยู่ขอปฏิบัติที่อยู่ก็ไม่มีเราก็พยายามให้มันสะดวกมาคิดเห็นเราหลอกแต่ม่ก่อนเราพยายมไม่อยากให้เป็นเช่น น, นั้นอยากให้ามาันสะดวกโอ้สนับสนุนให้มาศึกษาดูแล้ ว, ลวมันมีจริงๆนะ ในความหลงมันก็ม evet> ีในความไม่หลงก็มีมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ในความทุกข์มีในความไม่ทุกข์มันก็มีมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้นั่งานเรางานของเราแทๆงานของพระคืองานแบบนี้เปลี่ยนหลงเป็นรูกถ้ามันมีแล้วมันไม่มีความรู้ก็มาสร้างความรู้ พามาสร้างความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำการสร้างความรู้ก็ไม่ไปขอใครที่ไหนอุปกรณ์มีมือกู้เขนเข้ารู้สึกอย่าเฉีนออกรู้สึกเนี่ยมาสร้างตัวนี้ให้สิทธิ้งลอยเพลินแต่มาทาแบบสะดวกสบายอย่าเน้นว่ามีใครบังคับไม่มีศรัทธาจริง สัทธาพาธรรมมีความเพียรใส่ใจใส่ใจยกมือมีเจตนาถ้ายกมือไม่มีเจตนาก็เป็นอัตตก ก, กรรมกรรมที่ไม่มีผลด้วยความเพียรมีเจตนาใส่ใจรู้มีวิชากรรมฐานที่ชัดเจนทำตามพระเจ้าสอน เอาพเจ้ามาทำหน่านี่คู่แข่เข้าลู่ชิกเหยื่อฉันออกลู่ชิดก็เห็นกายที่มันนั่งคู่แข่เข้าเหยื่อฉันออกนี่เป็นรูปที่มันชิดไปโน่นมันเป็นอาการที่เกิดกับรูปเป็นนามมาทำมันมีแต่ก้อนเห็นตอนไม้มาคู่แข่เข้าเหยื่อฉันออกไม่เป็นอันนี้มันมีรูปมีนาม เราเห็นไปแตกฉานไปเห็นาการต่างๆมากขึ้นมากขึ้ น, นรูปมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นมากเป็นสูตรนามก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากเป็นสูตรส่วนของรูปก็ทำให้หลงเยอะแยะ ทำให้ได้ความรูม้เยอะแยะสูตรของหนังก็ทําให้หลงเยอะแยะทําให้ได้ความรูม้เยอะแยะวิธีที่ศึกษาให้รู้ให้ถูกก็มีสูตรเดียวไม่ใช่มีเครื่องมืออันใดที่ไปแก้แล้วก็เจเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สิเบอร์เท่าไรมาแบบนั้นไม่ใช่ความรูม้จุกตัวก็มีอยู่ในความหลง ผมรู้สึกตัวมีอยู่ในความทุกความรู้จึกตัวมีอยู่ในความโกรธควมรู้จึกตัวมีในอาการหนต่างทั้งหมดเลยว่าแต่หัดถ้าหัดเรามาจะใช่เองนั้นเป็นเองด้วยวหัดให้มันเป็นเองไม่ใช่ไปชิดถอไม่ใช่คิดเถอหมือนวัตถุสิ่งของนั้นเป็นเอง รือว่าทาให้เป็นตดี๋ยวเราก็หัดลู่หัดให้เป็นลู่ไปในกายหัดลู่ให้เป็นเวลามาหลงให้ลู่ในหลวหัดให้มันเป็นหลงที่ใดลูถึงนั่นทุกที่ใดลูถึงนั่นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีมากต้งมีแต่ความลู่เข้าไปเกียวก้องหัดให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้ได้ใส่ใจไว้ก่อน ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ดีๆก่อนอย่าด่วนอย่าด่วนอยลุกดีลุกโลนมันเราจะจบง่ายๆนะกาสวสากายไปไก่ไก่ไปถึงมาถึงคนไปกไปเสษรไปผู้ปฏิบัติในหลักสติปัฏฐานตามหลักของกรรมฐานจะได้กเสษรทุกคนจกายสวาวะกาย เห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมเกิดกระแสขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยพบเคยเห็นแบบนี้ทีแรกก็ย่อมลงไปได้น้อยก็ว่าสักแต่ว่าลงไปได้น้อยอันอื่นมันยังคุมอยู่แต่ก่อนเป็นตัวเป็นตนเอากายมาเป็นกายโซนเกิดเป็นตัวเป็นตน ตัวเห็นจะกับว่ามันหยอ่อนลงไปหยอ่อนลงไปมันก็ได้พื้นที่ได้พื้นที่ได้พื้นที่อะไรเกิดขึ้นกายเชว่ากายหนึ่งที่สังเกมันจะเกิดสุกเกิดทุกข์ก็กายเชว่ากาสุกแต่กว่าทุกข์หย่อนลงไปหยอ่อนลงไปมันก็ได้ที่เมื่อบรรลัยที่มันก็ขายายออกก็ได้ที่อยู่ อะไรก็จักตะว่านะมีสติลงปายเวทนาก็มสติลงไปไม่ให้เป็นจกเป็นทุกข์ความคิดก็มีสติลงไปได้ที่ได้พื้นที่ได้พื้นที่ได้ชัยภูมิด้วยสิทธิมีอำนาจปฏิบัติเกิดขาดเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีสิทธิที่ดินที่ทำอยู่ทํากิน ความชอบธรรมความชอบทรรม ท, ที่มีอยู่ในชีวิตเรานี่มันมีควมหลงมันชอบทรรมคมไม่หลงมันชอบทรรมความทุกข์มันชอบทรรมความไม่ทุกข์มันชอบมันถูกต้องเราก็ได้พื้นที่ได้หลักฐานแบบนี้มันจะมีอะไรเหลือ เกิดมากเกิดฝนขึ้นมาเ ง, งาเงาขึ้นมาเมื่อความพยายามเกิดขึ้นก็งาเงาขึ้นมาทำก็รักษาผู้พิทามไม่มให้ตกเป็นที่ชั่วทำยอดรักษาผู้พิทามอยู่เป็นนิดเป็นไปเองนี่เป็นทรัพย์ป่าดีทรัพย์ของพวกเราทรัพย์บแบบนี้ เรให้ไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพรเห็นกายเก่าทิ้งไปแล้วไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บเพราะไม่เอากายมาเป็นเรื่องเกิดเรื่องเก็บเรื่องตายไม่เอาจิตมาเป็นเรื่องเกิเรื่องเก็บเรื่องตายเอาเป็นที่เครื่องมือให้ให้เหนือกายเกิดเจ็บตายมาช่องสติปัญญาได้สติปัญญาเพราะเรื่องกายเรื่องรูปเรื่องนามนี่ นี่มันมีรูปมีนามให้เราได้ศึกษาใช่ใหมมันจบให้มันสำเร็จแต่เราไม่ใช่มันก็เหมือนพุ่งแผลว่าขี่ข้ามฟอกเราที่ยงใบกับีแต่แบกอยู่นั้นแบกแ้วันกูทั้งหมดสุขก็คือกูทุกข์คือกูหรอคนแบกแผลไม่ขี่ หลงคือกูพอจจคือ ก, กูไม่พอจจคือ ก, กูคนแบกแพ้นอนอยู่ก็กูนั่งอยู่ก็กูอะไรก็กูหมดจนตัวเป็นตนหมดพอในสุดแพ้ก็ปูุกปองไปยังเอาไม่ได้ประโยชน์เลยก็เป็นทุกเสียชาติมาขีข้ามปาก มันมีรูปมีดาวมันหลงขี่ข้ามให้มันไม่หลงมันทุกขี่ข้ามให้มันไม่ทุกมันโกรธขี่ข้ามให้ไม่โกรธมันแก่เก็บมันตายขี่ข้ามไปวิธีขี่ข้ามมอนบอกอยู่แล้วเห็นไม่เป็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพูดจากลมหลงเห้มันทุกไม่เป็นผู้ทุกพุทธจากลมทุก เห็นไม่เจ็บไม่เป็นผู้เก็บพ้นจากความเก็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจากความตายไม่เคยแก่ไม่ใครเก็บไม่ใคยตายไม่มีจริงจริงไม่มีจริงๆริงไม่ได้เก็บผู้ความเก็บไม่ได้แก่ผู้ความแก่ไม่ตายผู้ความตายไม่เป็นอาการที่เกิดกับลูกคนามันเป็นหนามลูกนามคิดไปจริงจริงมันไม่มีนี่คือชีวิตของเรา ต่อยอดเอาอย่างนี้หัดให้เป็นถ้าไม่หัดก็ไม่เป็นนะอ่านมันง่ายไปทางต่ำมัง่ายเหมือนน้ำไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำมัง่ายควอมสะดวกกวาเกียจคร้านแต่บางคนไม่มีกําลังที่แก่หนี้อะไรก็มักง่ายมาก่ายการหลงง่ายที่จะให้รู้เลย ช่วยกระเสียสักหน่อยแล้วเราก็ลดมันมีรถชาติของโลกมันมีเราไม่สา์โลกติดลดถงโลกเหมือนปลาติดเป็ดติดสุขติดทุกติดโกติดโลกติดหลงกิติเลตต้นน้าลาคาติดลักติดชังติดมากติดความรู้สึกตัวเลยแท้จะไม่มีถ้าเราไม่หาดนะ ยิงมหาใจมติดความรู้สึกตัวไมาใช่ที่นี่กันเนี่ยมาดีไหม <laughs> <laughs> เป็นด้วยตายด้วยกันเนี่ยเก็บแก้ดีป่วยดูแลกันอดดจากดูแลกันมีอาจา ร, รย์มีเพื่อนมีมิตรอยู่เนี่ยกลัวทำไมเปินเครื่องที่ทำมาอุน่อนตกอุ่นใจเนาะ อมัวเต่ ม, มาเล่นอยู่หนีจากว่าจะไปอยูู่หลุงนะจะนอนใู้ฟลุงก็คือเนี่ยส บ, บายสนุกดีฮน ะ, อะสองคนเจอกันรอ